เพราะความสุขความเจริญยังมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายจึงทำจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมกำลังนำเสนอรเรื่องจุลปันเกสูตรแต่มีข้อความต่อเนื่องตัวลากข้ามพบคับชาติไปหลายตอนด้วยกันสม้วมาวันนี้จะพูดถึงเรื่องพระเทระผู้เป็นพี่สาย คือพระมหาปันธกะซึ่งมีส่วนอย่างสำคัญในการนำน้องชายออกบวชแล้วก็ส่วนอย่างสำคัญในการไล่น้องชายให้สึดแล้วก็ถือว่าถ้นมีส่วนอย่างสำคัญที่ทำให้น้องชายได้บรรลุมรรคผลเป็นพระหันเรียงได้ว่า การธรรมของพระเทระพระมองชาบสวยคนก็จะไม่เกิดความเข้จใจเพราะว่าหลักการบริหารบุคคลมันมีทั้งส่วนมิกะะและกับปะเนะส่วนกำราบและก็ส่วนยกย่องเป็นวิธีประการหนึ่งในการฝึกมรดชนของพระพุทธเ จ, จ้า ตามปกติแล้วการฝึกของพระพุทธเจ้าที่รอรับการยกย่องว่าอนุตโรปริสสรมสารถิทรงเป็นสารถีที่ฝึกคนได้อย่างยอดเยียมไมมีสารถีอื่นจริงดีกว่านายเกสีเคยกราบทูลถามพระองค์ว่าพระองค์มีวิธีการฝึกนริชนอย่างไรจรึงในรับการยกย่อง ว่าเป็นอนุตรโรปริสธรรมสารกิจแล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยราจะรับสั่งถามในเกสีก่อนพระนักเกสีเป็นผู้ฉลาดในการฝึกช้างฝึกมา้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งคึอมา้ารับสั่งถามว่ามีวิธีการฝึกยังไงจึงประสบความสาเร็จมากท่านก็บอกว่า บางตัวต้องใช้วิธีหยาบแล้วค่อยๆละเอียดไปโดยลำดับแต่บางตัวก็เริ่มโดวยวิธีละเอียดได้เลยหรือมันต้องใช้วิธีหยาบดูจะรับสั่งถามว่าแล้วมีไหมที่เราฝึกไม่ได้ท่าน ก, กราบูลุว่าก็มีรับสั่งถามมาทำยังไงกับตัวที่ฝึกไม่ได้ แกก็บอกว่าค่าทิ้งถ้าไม่อย่างนั้นปล่อยไว้ก็จะเสียชื่อเสียงสำนักครูที่เป็นสรถีฉลาดในการฝึกมากดังนั้นในเกษีก็ย้อนมา ก, กราบทูลถามพระพุทธเจ้าพระเจ้รเารับสั่งถามรับสั่งว่ามันก็เหมือนกับวิธีของเธอใ น, นหละกในการฝึกคนคอนตะาคตก็เหมือนกับวิธีการของเธอ บางคนก็หยาบตามด้วยละเอียด บ, บางคนก็ละเอียดได้เลยแล้วเขาก็กราบทูลถามว่ามันมีบ้างไหมที่พระผู้มีพระภาคจะทรงฝึกไม่ได้พระเจ้ารับสั่งว่าก็มีท่านก็กราบทูลถามว่ารงทําอย่างไรกับคนที่ทรงฝึกไม่ได้พระเจ้ารับสั่งว่าเราขาดทิ้งเหมือนกันเราก็ตกใจอย่ะนัน พบใจว่านี่เป็นสัมมนาในฆ่าสัตว์ได้เลยฆ่าคนได้เลยคุณจะรับสั่งการฆ่าในความหมายของวัธรรมีในเนี่ยคือเราฝึกไม่ได้เราคือยุติการฝึกเราฝึกไปก็เสียเวลาเสียพลังงานปเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรหลักการตรงนี้เราจะเห็นว่า มันเป็นอุบายยบีจีในการฝึกคนบางครั้งมางคราวมันต้องทำให้สะหลุดใจอย่างแรงเลยจึงกระแทกเอาคุณสมบัติข้างในออกมาได้อย่างยกตัวอย่างเช่นพระเจ้าทรงฝึกพระวักกะลีพระวักะกะลีคือประวัติความเป็นมาของท่านเนี่ยมันเป็น ลูกของกุลสตรีคนหนึ่งที่เกิดลูกมาพี่คนนี่ถูกยักษ์ที่ทมีจับจินหมดโลยก็หนีไปคลอดลูกชายคนเนี้ยซึ่งต่อมาก็คือพระาาประรัตติีิเนี่ยตอนนั้ น, นยักษ์ที่มีอยู่เวรไปเฝ้าทวสุวรรเขาไม่รู้แต่พอออกจากเวกรกลับมาก็รู้ข่าวว่า สั ต, ตรูคนตนก็ไปคลอดลูกในที่ไกลก็วีบตามไปเพื่อจะจับลูกกินในกูดาสตรีคนนั้นก็คลอดลูกแล้วก็นำลูกกลับบ้านบ้านของตนนะฮะไปคลอดที่บ้านของขอ ง, ของของพ่อแม่หลังจากที่นีเห็นก็ครงรีบมันเลยพอดีมันเดินผ่านไปเชตวัน ก็ตกใจหาทางออกไม่ได้ก็วิ่งเข้าไปในวัดพระเทศตวันไปถึงก็เอาลูกไปวางไว้แทบบาทของพระพุทธเจ้าขอถวายพระภูมิพระภาหนังยักษณที่ีวิ่งตามมาแต่ว่าเข้าไม่ได้ที่เทวดาประจำชินเนี่ยประจำซุ้มทวารเนี่ยกักษาไว้ือไม่ยอมไม่เข้า พรเจ้าก็รับสั่งว่าพอยเขาเข้ามาพขเข้ามามาถึงก็ก็รับสั่งเตือนให้สติว่าทำไมพูกเธอจึงจองล่างจองผานกันมามากมายแล้วก็เล่าเรื่องประวัติอดีตให้ฟังนะว่าทุนี้มันเริ่มต้นมาจากการป็นผู้หญิงร่วมสามีกันพญาหลวงนั้นเป็นหมันไม่สามารถจะคลอดลูกได้ ก็เลยก็ไปหาผู้หญิงอื่นมาให้สามีเพรูะว่าถ้าตัวเองคุมเมียน้อยไม่ได้เนี่ยตัวเองก็จะหมดสิทธ์ที่จะเป็นใหญ่ในบ้านเลยก็เอาคนขอตัวเองมาให้เป็นปัญญาของสามีแต่ก็มีข้อแม่นะคือสั่งไว้ว่ารู้สึกว่ามีคันรู้สึกว่าแพ้ท้องต้องบอกแกสามีน้อยก็บอกหรือก็รุงยา ทาให้แทงเสสองครัง้งสามครัง้งกอมาเพื่อนบ้านเห็นว่าเอ๊เอผู้หญิงคนนี้ทำทไมท้องแล้วก็หายไปท้องแล้วก็หายไปประสบถามแลวก็ห้ามมาที่หลังอย่าบอกหรือก็ไม่ยอมบอกท้องโตขึ้นอันนี้หลวงก็เก็บความแค้นเอาไว้หาจังหวะพอเธอเผลอนี่ก็วางยา ท้าไม่แทงแต่ว่าคันมันโตมากแล้วก็ไม่แทงนะฮะเลยก็ประสบความทุกข์ทรมานมากแล้วก่อนจะตายเนี่ยก็ได้บุกอาคาสพยาบาทขอจองเวรกันทุกพวกทุกชาติแล้วก็ในที่สุดก็ห อ, อกันมาเรื่อยๆนะฮะก็เบียงกันฆ่าธรรมาชาติที่ คนหนึ่งเป็นคุณลสตรีคนหนึ่งเป็นยักที่มีเนี่ยไม่ไม่รู้คนไหนเป็นคนไหนะนะเพราะว่ามันผ่านมาเยอะแล้วทุกข์เาเนี้ยเป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าทรงสแสดงว่าเวณยอมไม่ระงับโดยการจองเวณแต่จะระ ง, งับไปโดยการไม่จงเวณเทศธรมโมสนันตโนนี้เป็นของเก่าคือ่ติดธรรมะตั้งแต่บร บ, บราณโบราณแล้ว มันแปะว่ากะลิท่านก็ติดพระพุทธเจ้าตั้งแต่เด็กแล้วก็พอใจชื่นชมกับพระสิริโสมของพระพุทธเจ้าคือถ้าเราลองนึกดูนะลองนับพระชนภรรษาดูนในการเมื่อเกิดทิ่สาวัตถีพระเจ้าจะรัสรู้สามภาพระพรรษาเต็มแล้วกว่าจะมาได้อยู่ที่ประเชตวันเนี่ยคงจะห7เจ็รรษาที่หที่เจ็ด้ว แต่วกว่าที่จะเกิดเรื่องนายกินมีขึ้นมาเนี่ยคงจะหลายปีนะแต่วกว่าท่านจะโตจนครบยี่สิบนปะีเราไม่รู้ว่ามันก็ร่วมร่วงสามสิบปีนะกฎหมายความพระเจ้าต้องมีประชนมนสายอย่างบอกบอ ก, ก็หกสิบตอนนี้ยังส ง, ง่างามมีประสริโฉมงดงามเป็นที่พอใจแม่แต่ของผู้ชาย เวลาความเทศท่านก็ไม่ได้สนใจคำเทศสนใจแต่จะมองที่พระสิรีโสมของพระพุทธเจ้าพระเจ้าทรงปล่อยให้มองอยู่นานพอถึงจุหนึ่งเห็นว่าบารมีแก่กล้ามากพอแล้วทรงขับไล่เลยนะวักรลิภุจงถอยออกไปจะมาดูใหญ่ร่างกายแต่สาคตเป็นของเปลือยเน้า ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมโรกกะลีก็ต้องออกไปน้อยใจว่าไม่มีโอกาสจะได้เห็นพระพุทธจาแล้วตอนที่ขับเนี่ยประทับอยู่ที่พระเวฬุวันหรือราชสุขมันก็น้อยใจก็ขึ้นไปบนภูเขาคิจกูดคือตั้งใจจะกระโดดลงมาตายหรืท่านไปเกิดไป็นเดี ย, ก, ดยก็ต้องนึกนะฮะว่าภูเขาคิจกูด เขาพูดถึงความสูงนี่ไม่สูงอ่ะแต่ว่ารัฐคณะรัฐนาะคีรีทิติตกับเขาคิจิกูดมันก็สูงแต่ถ้าจะกระโดดเนี่ยกระโดดจากเนิ่มเขาพิจิกูดเนี่ยมันจะง่ายกว่าพุทธเจ้าทรงเห็นเวลาท่านยืนจริงๆคือยังนึกอะไรอ่ะอะไรต่อไปอย่างนีพุทธเจ้าก็ทรงเปล่งกับพันรังศีไป จะปรากฏพระองค์เฉพาะหน้าแบบเดียวกับเนี่ยแบบเดียวกับจุลบันทกเพราะเราเห็นว่าการปรากฏในตรงนี้ของพระพุทธเจ้าก็เป็นประการปรากฏของด้วยมโนบัญญิทธิไม่ได้ปรากฏด้วยอิทธิวิธีแล้วก็ปรากฏพระองให้เห็นแล้วก็เทศนาชี้แจงสั่งสอนกระตุกกระตุ้นเพื่อนท่านก็เกิดปิติประโมทที่ได้เห็นพระพุทธเจ้า เ่อนี้ท่านฟังจะเห็นว่ากระแสของธรรมเนี่ยคือสีนี้ไม่เป็นบาตรแล้วเพรา ะ, ะตัวเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยคือท่านมองมาเนี่ยอาการก้นธรรมะที่เราเห็นชัดเนี่ยคือสติคือวิริยะคือธรรมะวิจยตรแต่พอเห็นปั๊บแต่มันเกิดปีติเกิดปัจจติเกิดสมาธิเกิดเวิขาเพราะนั้นสามข้อก็เข้มข้นขึ้น ในเลยมีปสนากับบรลุมัคคุเป็นพระหรันก็เลื่อนลอยมาทานภากาศทักราบรือแทบบาทพระพุทธเจ้าวันถระดูแล้วก็ว ล, กลักษณะประวัติคล้ายๆกันคล้ายๆกับพระจุลบันทก์คือพเจ้าจต้องตามไปแก้ปัญหาปัญหาให้ในแต่ละช่วงแต่ละจุดอย่นะางน้อยพระวัคะิลิก็สามช่วงสามจุด เป็นวัตการิชาติเดียว ป, ปัจจุบันถกในหลายชาติในข้อที่การที่พระมหาปันธกะหรือพระมหาปัน ถ, ถุเรียกนิ่มๆเนี่ยเมื่อเรียกปันทกะนี่มันจะนิ่มกว่าใ้ปันถุเนี่ยฟังแล้วน่าเกลียดมันคล้ายๆกับชื่อพระมหากัสปะนะ์ที่จึงเรียกกัจศก็ได้กัจปะก็ได้แต่ถ้าเรียกกัจศกมันฟังแล้วน่าเกลียด เลยก็เรามาักจะเรียกกัจสปะคือประมากัจจปะคนโบราณเนี่ยจะเรียกประมากัจศพและคนก็เรียกกันเยอะเหมนกันกัจศพคือเค่อยๆเป็นคําพ้องเสียงหรือคํามาศพเนี่ยมันเขียนได้ทั้งหลายตัวนะสะกดได้ทั้งหลายตั ว, วพอพานก็ได้พอใบ ไ, ไม้ก็ได้พอปลาก็ได้พอสําเภาก็ได้มันสะกดได้ทั้งหลายตัวอา่วานว่าศพด้วยกัน แล้วก็เราก็อ่านเป็นกัสปะก็ไม่ได้ถือว่าถูกปิดนั้นฮะเถิก็ถูกด้วยกันแต่ใครสมัครใจจะอ่านวอากัสสุป ก, ก็ไม่ได้ว่าอะไรก็พิสูจนตั้งหลายก็เกิดวิภาคคุยจาร์กันว่าประมาณปันญกะนั้นขับไล่ไปจุลปัธกะผู้ไม่อาจเพื่อกระทํา คาถากลึงหนึ่งให้คล่องแคล่วได้โดยสี่เดือนออกจากวิหารด้วยคำว่าเธอเป็นผู้อาภัพแม้ในพระศาสนาทั้งเป็นผู้เสื่อมแล้วจากภูกะของธริระห์ประโยชน์อะไรของเธอด้วยการอยู่ในวิหารนี้เธอจงออกไปเสียจากวิหารนี้แล้วก็ปิดประตู เพราิขิการเนี่ยเราจะเห็นว่าแรงฤทธิ์ค่าจะแรงมากแต่าที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าต้องการจะกระตุกจิตสำนึก้องการจะกระตุกจิตสำนึกของพระจุลปันธกาศไ่ได้เกิดความคิด เเรียกว่าสนดจิตที่หาทางออกให้แก่ตัวเองนั้นก็เป็นวิธีการนหนึ่งๆในการคือเราจะพบว่าพระเจ้าสงสชยสงใช้ยเยอะนะฮะในอันนี้เป็นแนวกำราบก่อนแล้วก็สอนในตอนหลัง ก็ในที่สุดภิกษุก็ไปลงมาจุก็เราก็เห็นอย่างหนึ่งนะฮะคือคนชอบพูดเรื่องที่ตัวเองไม่รู้คือนิดเราอ่านบทความต่างๆที่ปรากฏทางสื่อสารมวลชนเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์เหตุการณ์ทางภาคใต้ตั้งชื่อนี่น่าสยดสยองเลย และปรากฏว่าเป็นคนโน้นทางภาคเหนือทางภาคกลางทางภาคอีสานเขียนเป็นตุเป็นต่าเนะ่ยคล้ายๆตัวเองรอบรู้แล้วเดนะินแตกสานิดหนึ่คนที่อยู่ภาคสนามก็ยังไม่รู้เลยเอามานั่งเพียนเขียนก็ได้เป็นเรื่องเป็นราวอันนี้คือธรรมชาติค น, น, นเรื่องบังเรื่องมันไม่น่าจะมันไม่น่าจะยุ่งอะแต่มันยุ่ง ยบบามังกรที่มีแต่คนอะไระติดยาเนะยติดยาแล้วก็ไปจับเด็กใช้มีดทั้งสองเล่มจ่อที่คอเด็กตั้งแต่โมงเช้ากว่าๆจนถึงสี่โมงกว่าๆตารวจจะจัดการแก้ปัญหาได้เนี่ย นี่ตำรวจไปกล้าทำอะไรเพราะไฟมุ่งก็บอกว่ายืนดูกันได้เป็นร้อยๆประมาณหกเจ็ดร้อยไม่เป็นเรื่องแปลกอะแต่เรื่องแปลกชอบสร้างปางัญหาคนละนี่ยไว้ไหม้เนี่ยไปมุ่งกัดเต้มาเจ้าหน้าที่ทำงานไม่ได้ยังยกไปอย่างในกรณีที่นักโทษประมาร่าแหกคุกทีส่สมุดสมุดสะคอนสมุดสงครามนะครับแล้วทำให้ปวนฮะ ก็สื่อสารมวลชนด้วยประชาชนด้วยทำาจะป่วนหมดเลยแล้วก็ใครก็เป็นใครไม่ได้หรือบางครั้งบางขาวเหตุการณ์ริมถนนเนี่ยเหตุการณ์ริมถนนรถชนกันจอดรถดูทำให้รถติดเป็นแถวเป็นเรื่องแปลกแต่ว่า เป็นการกระทำที่ถาวบอลเราก็ไม่สามารถที่จะกแก้อะไรได้ผลพระเหล่านี้เราจะเห็นว่าเออท่านวิจารณ์หลายเรื่องแล้วนะแล้วก็นอกเรื่องด้วยื <c oughs> อยแสดงว่าไม่เข้าใจเรื่องหรือพูด ง, ง่ายๆว่าไม่รู้เรื่องแล้วก็ชอบพูดอย่างยกตัวอย่างในกรณีของเรื่องพระต่างๆน เหตุการณ์ที่เกี่ยวกับครเนี่ยเราได้ฟังข่าวจากหนังสือพิมพ์แต่นั้นเองโอ้วิาพากวิจารณ์กันเป็นคุ้งตป็นแผลและเราก็ไม่ได้ศึกษาภูมิหลังของเรื่องหลงนั้นเราไม่ได้เข้าใจอะไรความเป็นมาอะไรมันจริงๆจริงๆมันคืออะไรแต่ก็วิาพากวิจารณ์แล้วแล้วลงทำหน้าที่ตัดสินแล้วนะเราจะลองลองสังเกตเราจะทาหน้าที่ตัดสิน นั่นคือธรรมชาติของมนุษย์ไม่ใ่ว่าใครในยุคใดสมัยใดหรอกแต่ตัวคนหนึ่งเนี่ยก็จะชี้ผิดชีด้ถูกลธรรมที่กัดสิละเพนา่ถ้าเรานั่งก็เหมือนกันบอกว่าสนทนากันว่าผู้มีอายุทั้งหลายกรรมชื่อนี้พระหมหาปันทกะทำได้จะรอยความโกรธย่อมเกิดมีขึ้นแม้แก่พระขีนาโสทั้งหลาย เอกีนาศบเนี่ยเป็นชื่อที่เรียกพระอระหันต์รีว่าผู้มีอานสวะสิ้นแล้วแต่ตามปกติเขาเรียกว่าเกีนาสวะนะแต่ถ้าเขียนตัวพอแล้วก็ไม่รู้จะออกเสียงยังไงเหมือนกันก็ต้องอ่านเอกีนาศบแต่ที่จริงแล้วบาลีเนี่ยจะอ่านเอีนาสวะ หมายความว่าอาสวะก็คือกิเลสประเภทที่หมักหมมสะสมอยู่ภายในจิตมนุษย์เราทังสัตว์ทั้งหลายนะฮะคือแต่และคนมันก็มีอาสวะหมักห ม, มมอยู่ด้วยกันเท่านั้นแหละมากบางน้อยบางพราคนที่ละอาสวะได้มีคนประเภทเดียวนะฮะพวกพระอาหารหันต์นั่นแหละเราเรียกวพุทธบุคคลสามประเภทคือพระอรหันต์สมมาสัมพุทธเจธียร์พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวก นั่นเองที่ละอาศาะได้เนั่นก็ไม่สามารถที่จะลาได้ทีนี้การที่ละอาศาะอาศาะกล่าวโดยสุกุกามอาวะภวะอาะวิชาอวะกามอาศะอาวะคือกามคือกิเลสเป็นเหตุหคล้รยๆไปลองตัง้งใจดูพวกวัตถุกามทั้งหลายที่จริงมัน เราจะใค้ก็ได้ไม่ใข้ก็ได้ไมันอูที่คนมองด้วยกิเลสหรือมองด้วยธรรมะหรือมองด้วยอะไรแล้วก็อย่างที่ท่านกล่าวไว้ว่าสองคนยนต์ามช่องคนหนึ่งมองเห็นโครมตนคนจมคนหนึ่งตาแหลมคมมองเห็นดาวอย่างเปร่าปลายนี่ก็แสดงให้เห็นว่าพื้นฐานทางจิตของคนเนี่ย เป็นตัวการสำคัญในการกำหนดอารมณ์เหล่า น, นั้นว่ามันเป็นอะไรคือพระขีณาสพเนี่ยท่านมองสิ่งมีชีวิตด้วยความการุณาหมดเลยนะฮะมองทรัพย์สินต่างๆด้วยความวางเฉยไม่มีความยินดียินได้แต่ก็คนเนี่ยคือไม่ยินดีด้วยกามแต่ว่าเกิดกรุณา นี้บางทีเนี่ยมันอาจจะเป็นวัตถุสิ่งของก็ได้ก็ จ, จะมองด้วยความกรุณาต่อคนซึ่งอาจจะมเกี่ยวข้องกับสิ่งของเหล่านั้เจอมีคราวหนึ่งพระเจ้าเสด็จไปกับพระานนนเพื่อบิณฑบาตแล้วก็มีชาวนาคนหนึ่งก็ไถานาอยู่แล้วก็มีโจรเขาก็โมยศัพของชาวบ้านชาวบ้านก็ไล่ตามมา แกเห็นจูนตัวนะแต่ก็ทิ้งเงินเงินมันอยู่ในถุงในชานาอยังไม่ทันนินหรอกแต่ว่าวิชาเสด็จผ่านไปก็รับสั่งอนอน์มีอัสรพิษิษ อ, อนก็กราบทูดว่าพระพุทธเจ้าข้าเป็นอัสรพิษที่มีพิษกล้าเรียก mm. อาศีวิโสคือมีพิษที่ รุนแรงมากชาวนาเขาก็สงสัยเงหงูอยู่ตรงนี้ประเดี๋ยวจะไปกัดกรบก็เลยไปดูก็ไปเห็นเหมือนนั่นนะครับเจ้าทรัพก็ตามมาทันพอดีเลยจับชาวนาเลยว่าเป็นโจร น, นั้นนี่ก็ล่าวประโยคที่พระเจ้ารับสั่งว่าอา น, นุนมีอสรพิธ กระนลกราบทูลว่าพระพุทธเจ้ขาข้าเป็นอสรพิที่มีพิษแรงกราบมาแต่ครที่จับได้สงสัยถามอย่างอื่นไม่ตอบเลยพูดอย่างนี้อย่าบอกว่าถ้าคุณนํำฤกฝ้าวพระราชาเนี่ยก็จะบอกก็ตะลงมานําำฤกฝ้าพระราชาพระราชาก็กราบทูลพระราชากรับสั่งถามแล้ก็เล่าเรื่องในบทให้ฟังพระราชาก็ต้องไปกราบ รุณถามแล้วพระพุทธเจ้าพทธเจ้าก็เล่าให้ฟังทั้งหมดแตก็รอดนะรอดตัวไปทีนี้เราจะเห็นว่าสเสด็จไปด้วยกรุณาต่อชานาคนนั้นแต่ว่าที่ต้องพูดถึงเรื่องเงินเนี่ยว่าเงินเนี่ยมันจะนำไปสุ ป, ปัญหาเราทรงรู้แต่ว่าสรงเชี่อเห็นถึงความเป็นอัจริพลของเงิน แลเงนินมันก็คงเป็นสรพิดหยิ่งยโนทุกวันเนี่ยสร้างปัญหาอยู่มากมายไกลกองถ้าขาดการระมัดระวังแล้วมันก็แย่ทุกคนไม่ว่าใครก็ตามเพราะว่าเมื่อภิกษุทั้งหลายไปมองว่าผู้หมดอาสวะยางโกรธเนี่ยก็แสดงไม่เข้าใจอารหาันต์ ไม่เข้าใจอรหันต์ภาวะนะภาวะจิตของพระหันนี่ไม่มีความโกรธคือกับคนเนี่ยท่านมีแต่การุณาสิ่งมีชีวิตท่านมีแต่การุณาแต่นั้นไม่มีอย่างอื่นวันจึงพุทธาก็เห็นว่าก็ถึงเวลาโอกาสที่จะชี้แจงธรรมะก็เสด็จไปรักสังถามโดยทํานองเดิมนะฮะว่า ภิกษุทั้งหลายบัดนี้พวกเธอนั่งประชุมกันด้วยถ้อยคําอะไรภิกษุเหล่านั้นก็ปราบทูลว่าด้วยถ้อยคําชื่อนี้จึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายกิเลวทั้งหลายมีราคะเป็นต้นอันนี้เป็นการแสดงโดยสรุปนะคือว่าเวลาพระเจ้าทรงแสดงแก่พระเนี่ยจะไม่ใช้คําำโลภะจะใช้คําำราคะโทสะโมหะแต่ผู้กัจจายโยมในชาวบ้านเนี่ยจะใช้โลภะโทสะโมหะ แต่นี่ก็คือกันนะฮะคือเป็นกิเลสประเภทคว้าเข้ามาหาตัวด้วยกันต้องการได้ต้องการมีต้องการเป็นใครขัดขวางก็งจะเกิดโทสะดูตัวเองสู้พลังอํานาจของผู้ที่ขัดขวางไม่ได้เขาแย่งไปก็จะเกิดโศกะคือเกิดโศกเราสามารถดูนิจัยจิตได้นะฮะว่าอั น, นั้นแหละที่จริงเป็นกิเลสทั้งคู่นั่นแหละแล้แวโศกไม่เป็นทุกข์นะ าถามทุกเพราะอะไรทุกเพราะผิดหวังเราต้องการจะได้แล้วไม่ได้ตามที่ตนหวังก็เลยเกิดโศกเราถ้าอยู่ในวิสัยที่เราจะโต้อตอบได้จะยั่งยิงกลับมาได้มันก็จะใช้วิธีโทสะนะฮะโดยโทสะแนละ้วก็ไปประสุดสลายโลกมันก็เป็นอย่างนี้แหละมันก็เป็นหลักประกันอย่างหนึ่งว่า ความบริสุทธิ์ภายในใจของพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยเป็นการบริสุทธิ์แบบหมดจดจิตใจของท่านเหมือนกับคล้ายๆกระจกกันนะคล้ายๆกระจกคล้ายๆกระหินอ่อนคล้ายๆกับอะไรล่ะคล้ายๆกับพื้นกระดาษอะนี่นะคือแมลงวันหยดไข่เนี่ยไม่เป็นไข่ขางตายหมดคึกเมื่อผีกับเนื้อผีกับปลา จิตใจของสามัญชนมันก็เหมือนกันเนื้อกับตาพอ ม, มาเร่งวันหยดไข่บางกายเป็นไข่ข้างก็กลายเป็นห น, นอนแล้วกลายเป็นเน่าหนอนก็จะเกิดขึ้นเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นใจิตใจของพระหันจึงเป็นความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงแต่ว่าพระหันบางคราวเนธละวาสนาไม่ได้เวราะเราก็เจอบางเรื่องบางองค์บางรูปนะ ก็อาจจะกล่าวคำไม่ไปเลาะกล่กาวคำหยาบอย่างพระปิรินวัชชเนี่ยพูดวัชละวาทะไปไหนมาจะถอยทํำอะไรจะถอยะขายอะไรจะถอยบรรทุกอะไรมาจะถอยอยารู้จกักไม่รูจกักท่านพูดอย่างนรรั้นทุกทีโดนถูกฟ้องนะฮะเป็นค น, น, นฟ้องพระพุทเจ้าพระเจ้าก็ต้องอธิบายให้ฟังนะฮนะ น, นี่คือวาสนาไม่จะพูดด้วยโทษสะ เรือติมานะคือดูหมิน่นหรือความถือตัวแต่ว่าพูดไปวา ส, สนาท่านเป็นอย่งังไงแล้วก็เมื่อราคาไม่มีโทสะไม่มีโมหะไม่มีนะคือถ้าไม่มีคือไม่มีมมจะจับประเด็นได้อย่างนั้นหมายความอาจจะพูดไปสิ้นตัญหาดับอวิชชาดับโทสะอะไรก็ได้คือจะพูดดับข้อเดียกเท่านั้นเองแต่หมายความว่าข้ออื่นก็ดับด้วย เพราะนี่ลองสังเกตสังโยชน10ประการที่อาหารละได้นะหข้อสุดท้ายเนี่ยคุณลือละไม่ได้เพระอ่านละได้เราจะเห็นว่าอาการของรูปราคะหรือรูปราคะในที่จริงก็เป็นอาการของโลภะอาการของราคะแต่มันเป็นความรู้สึกตัวสิ่งที่เป็นนามธรรมคือสุขเวทนาที่เกิดขึ้นจากการได้บรรลุฌานในการเข้าฌาน มานะมันมีอาการกุโลสระอ่อนๆบุตจักและก็โมหะนะชัดเจนแล้วก็อวิชาก็คือก็คือหมดหรือที่รวมของกิเลทั้งหมดแการหุดจุดจากอาสวะกิเลสนี่คือหมดจุดจริงๆก็อยู่ที่พระอาหารหันต์แล้วก็ไม่กําเริบเขาเรียกอกุปเมวิมุตติคือเป็นการหลุดพ้นที่ไม่กําเริบ จึงรับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายกิเลสทั้งหลายมีราคาเป็นต้นย่อมไม่มีแก่พระขีนาสพทั้งหลายและบุตของเราทำกรรมนั้นเพราะความชี่ตนเป็นผู้มุ่งอัดเป็นเบื้องหน้ามุ่งอัดถะนะคือประโยชน์มันมีลักษณะคือกูณและมวยความสุขให้ทีนี้สิ่งที่เป็นประโยชน์มันไม่แนะ่น คลายก็เราต้องการให้คนกินยาเพื่อหายจากโรคเนี่ยวิธีให้ยาเข้าไปในร่างกายเนี่ยมันก็ใช้หลา ย, ลายวิธีวิธีบางครั้งบางคราวนี่ต้องจับผ่างปากแล้วก็ซัดยาเข้าไปเลยเขาจะกินไม่ยอมกินวิธีบางอย่างก็จะฉีดเข้าไปมล้ก็าจจะเจ็บปวดแต่นั้นก็เป็นการแสดงเห็นว่าเป็นการทำด้วยความรูงาต่อคนป่วย เเรียกว่ามุ่งอัดมุ่งทรรมเป็นเบื้องหน้าคือต้องการจะเข้าสังเหตผลอัตถะกัาธรรมะนี่เราจะเห็นว่าพบพบเยอะนะฮะพบบ่อยส่วนหนึ่งก็คือเหตุผลส่วนหนึ่งก็คือหลักคำสอนกับจำนวเนือ้อหาของตัวคำสอน มั น, นก็รับสั่งในทินี้ก็ยกกิเลสเพิ่มขึ้นนะฮะโดยภาษิตยกเพิ่มขึ้นว่าราคะโทสะมานะและมรรคราคะคือจิตที่กำหนัดในวัตถุในวัตถุทั้งหลายใครได้ใครมีใครเป็นใครครอบครองใครเป็ น, เ, ป น, เ, ปนเจ้าข้าวเจ้าของแต่โดยทั่วไปเนี่ยมันจะเน้นไปเรื่องเพศแต่ว่าในตัวเนี้ยหมายถึงทั้งหมด หมายถึงความปราถนารูปประวัตถุทั้งหมดตลอดถึงอารมณ์ทั้งหลาย ร, ราสชาติจิตที่ประทุษร้ายตามปกติให้เราสังเกตว่าถ้าคนปกติแล้วเนี่ยมันจะคิดประทุษร้ายเฉพาะบางกรณีเท่านั้นเลงแต่ถ้าคนไม่ปกติเนี่ยอาจจะโกรธแม้แต่ก้อนอก้อนหินแม้แต่ตอไม้แม้แต่รากไม้นะั้นถึงขวางทางอยู่ มาทีของขืนอะไรที่วางแลยแกเดินสะดุดนีกแกโกรธนะฮะกะโกรธทำนองแก่้ๆของนั่นมาวางมาขวางทางแกเพื่อเนที่จะดูจะดูว่าตำแห น, นตัวเองก็เดินไม่ดูเนี่ยไม่เอานั้นเป็ลนลักษณะของโทสะคือกุศลไราาการสเปดสปะมาน่าเป็นความถือตัวเป็นความกระด้างที่มีอยู่ภายในใจ อาจจะเอาอะไรมาเป็นเหตุได้นะฮะตัวตัวอาจจะเป็นสกุลอาจจะเป็นรูปร่างอาจจะเป็นการศึกษาอาจจะเป็ น, นหนังนาที่การงานอาจจะเป็นชั้นยศต่างๆนี่บางครั้งบางข่าวเนี่น่ากลัวอย่างทีเคยพูดเรื่องปรากัรพิละเนี่ยก็คืออดีตภิกษุที่ชื่อกรพิละคือเราจะเห็นว่าท่านพยองลําพองเพราะว่าท่าน ในฉานในพระตไตรปิฎกเทศนาว่าการเก่งปราศเปลืองก้าวเล้าใครก็ว่ากล่าวตะเื่อนอะไรไม่ได้มราถือว่าตัวเองเก่งตัวเองเป็นคน ร, รู้คนอื่นไม่รู้คนไป็ท้ายก็ตกนรกเราอาหารเตือนเนยังไม่เชื่อเลย อ, อ น, นี้เปความละเมิมาดาะไมทันจิตคือมานะเนี่ยมัน เป็นกิเลสสังโยชน์ชั้นสูงคือคนมีล้ได้จริงๆเนี่ยเฉพาะพระอรหันต์ระดับมานาสังโยชน์มานานุสัยเนี่ยฮนะมันระดับพระอรหันต์แล้วคนอื่นล้าไม่ได้พราะมา น, นะบางคราวนี่มันเป็นความสัมพันธ์ผิดความเขาเ้าใจผิดเดี๋ยวไปคิดว่าตัวเองเป็นอราหันต์แล้วบรรลุแล้วอะไรแต่อะไรเนี่ยมันก็อาจจะคิดขึ้นมาได้ แต่ทั้งก็เรียกว่าอภนะิมานะเรืออธิมานะอจิมานะอภิเรืออภิก็ได้ไม่ได้ปรับอบัตแต่พระที่หลงผิดเข้าใจผิดแล้วก็มัรคฐานนี่คือการดูหมินคนอื่นเพราะนี้มันสึกเนื่องมาจากมานะนะรู้สึกว่าตัวเองมีรู้สึกว่าตัวเองเป็น นะรู้สึกตัวตัวเองเป็นอัตตาตัวตนเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างโน้นเนี่ยมันจะดูดีคนอื่นเันเป็นอาการผ่อนลื่นกันมันสึกยื่นมาจากอัตตาตัวตนเวลานี้เราเอาตัวตนขึ้นไปใช้กันเยอะนะเมตาตัวตนอย่างนั้นอย่างนี้ตัวตนที่แท้จริงก็บุคคลนั้นอย่างนั้นอย่างนี้ก็ใช้กันไปใช้กันมาบางทีก็ไม่รูปหมายความว่าอย่างไง เพราะความรู้สึกว่าเป็นตนเนี่ยทำไมรู้สึกว่าตนเป็นเพียงมองในแนวของพวกสมณศักดิ์ไม่มีลักษณะเป็นดาบสองคมคือคุณอนันตก็โทษมหันต์พระมีหลักมีโยนิสมนสิการมีหลักรือการเลื่อนสมณศักดิ์เนี่ยหมายความว่ามีภารกิจที่จะต้องทำ ให้เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจของคณะสงฆ์ของพระมหากษัตริย์ของรัฐบาลคือในประกาศเนี่ยประกาศแต่งตั้งสมณศักดิ์มันมีประโยชน์สำคัญขอพระคุณโปรดรับธุระพระพุทธศาสนา เป็นภาระสั่งสอนช่วยรังับอธิกรอนุเคราะห์ไปพิสูุสามเดชในพระอารามโดยคว ร, นะรจะประเด็นว่าบางทีในเราเองก็สับสนบางทีพระท่านแก่แก่มากแก่จนนั่งรถเข็นมารับพัดเคยเจนว่าภารากิจที่ได้รับมอบหมายไปในทำไม่ได้ไม่แก่แล้วแล้เวเราก็ไปตั้งกันมันาะวัตถุประสงค์ก็เลย เลยไม่บรรลุเ ป, ป้าไม่บรรลุเ ป, ป้าหมายแล้วก็ที่แปลกคือในสมัยโบราณเนี่ยเราฟังชื่อเรารู้เลยว่าพระองค์เนี่ยมีคุณสมบัตินี้มีลักษณะเด่นเป็นพิเศษอย่างไงมันต้องการสะท้อนอะไรเช่นสมมุติตวยายาเน่ยสังวรเนี่ยสะท้อนปัญญาสะท้อนความบริสุทธิ์สาธารณโศกคนเนี่ยสะท้อนปัญญาความบริสทุญญสทธิ์ หรือว่าอะรประกาศสิบพุทธศาสตร์อันนี้แสดงมีความสามสามารถในการเพศสนาวาการต่างๆนะอริยตวีอย่างเงี้ยก็แสดงว่าเป็นนักปราชญเป็นนักวิชาการที่เก่งขึ้นชื่อเนยไม่จะบอกเนยนี้เราไม่รู้หรือบางทีพระนักธรรมเอก เ, เป็นเมธีบางทีเป็นวรรเมธีโอโหยอดมาก นักปราดนะฮะมีที่ีเป็นนักปราดทีนี้บางทีถ้าเราขาดจิตสำนึกเนี่ยเราก็ไปหลงตัวแล้วก็ไปดูหมิ่นบุคคลอื่นคนอื่นโง่เราเป็นนักปราดเราเป็นนักปาราดเพอชื่อเป็นนักปราดดังนั้นมัาขาดเนี่ยมันเกิดได้เพราะว่าไปติดอยู่กับมานะกับอัตตานะฮะ เ, เรียกว่าอาหางการ หางการกับมมังการเราเป็นเราเป็นนั่นเป็นนี่เราก็เป็นตัวตนของเราวันกิลเลสเหล่านี้มันตกไปจากใจของพาราหันสูตรประมาเป็นรูปธรรมนะฮะรับสั่งว่าเหมือนมเมล็ดพันธุ์ผักกาดตกไปจากปลายเหล็กแหลมเฉะนั้นคือเราเอามาเล็ดพันธุ์ผักกาดเล็กๆเรา ว, วางบนปลายเหล็กแหลมเล็กๆกันนะ วามก็หล่นวาก็หล่นนะฮะมันตั้งอยู่ไม่ได้เพราะไม่มีที่ตั้งมีที่จะตั้งก็รับสั่งว่าเราเรียกผู้นั้นว่าเป็นพรามนะพรามในความหมายตรงนี้หมายถึงบริสุทธิ์นะะคืออย่าลื ม, ม่าหมายถึงบริสุทธิ์บริสุทธิ์จากราคะโทสะมานะมาานะักขะหมายถึงบริสุทธิ์ก็จะเน้นถึงกิเลส ที่มีบาปธรมรมมันลอยใช่แล้วในความสละละวางกิเลสได้หมดแล้วเขาเรียกว่าเป็นพระดังนั้นคำว่าพวกกิเลสเหล่านี้มันตกไปจากจิตหรือทำนอนคล้ายๆกับหยาดน้ำที่หยดลงบนใบนบัว น, น, นะบนใบบัวบนบรบรบรบรกลีบดอกบัวอะไรก็ตามมันจะกลิ้งตกไปจากจิต เพรอารมณ์ที่มากระทบจิตพระอรหันเนี่ยมันจะตกไปจากจิตแต่ระหว่างโปรดสังเกตอที่จริงเราก็ทําได้ระดับหนึ่งให้ลองสังเกตว่ามีคําด่าเยอะที่เราไม่โกรธแล้วบางทีเราขำบางทีเราก็าสงสารนะบางทีก็นึกสลดก็แล้วแต่คนทีนีการยกย่องบางทีเนี่ยแล้วก็ไม่ยินดียินได้เลยมันเกินไป หรือไม่จะเป็นจะต้องบอกอะหรือว่าเราเดินไปในที่ต่างๆร้านขายของอะไรตลอดสังเกตมีเยอะแต่เราไม่อยากมีโฆษณาเยอะแต่เราไม่สนใจมีอะไรหละกการเล่นการแสดงต่างๆเป็นอันมากที่มีการโฆษณาจะสื่อต่างๆเราก็ไม่ยินดียินได้เนั้นแสดงเห็นเชื้อของการจางคลายไปของกิเลสเนี่ย มันมีอยู่ภายในใจหรือว่าคนรู้ไปมันทําได้บางอารมณ์พอถึงบางอารมณนะ์มันก็ทําไม่ได้กิเลสมันก็ขูดขึ้นมาภายในใจนะทานองได้แค่กระทศกันไม่โกรธตอนหันองมานไปทําลายพิธีเนี่ยแล้วจะมาทำสารพัดไม่โกรธ ด, ด่าก็แล้วเคยขัวก็แล้วถมน้ำลายใสก็แล้วเตะก็แล้วหีบหน้าแ <laughs> ไม่ไม่มีอะไรโกรธ มันเป็นความไม่โกรธที่ถูกข่มเอาไว้เพื่อต้องการให้เสร็จในพฤติกรรมแต่พอโน ม, มานเอาทามงมนโทมากระทำย่ำยีต่อหน้าแต่นั้นเองเขาจะกันตบะเกาแต้แล้วการา ค, ความโกรธกันนั้นคือคนเราเนี่ยมันก็ทำได้บางอารมณ์ทาได้ยิ่งแต่ว่าทํางพยายามฝึกพยายามฝึกตัวเองลดราคะลงไปโทสะลงไปมานะลงไปมักขะลงไป คือจิตใจเราจะโปรงจะเบาจะสบายคือราค่าเนี่ยมันนำไปสู่ปัญหาโรคเอดในปัจจุบันเราพลาดเนี่นำไปสู่ปัญหาคอรับจั่นโกงกินช่อาราัสบังหลวงต่างๆค่าของเถื่อนค้ายาบ้าอ ะ, ะไรๆสารพัดคณะต่างๆเป็นปัญหาพวกนี้เท่านั้นเ พ, พราะอะไรเพราะกลปลื้ว่าเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เราเป็นอย่างโน้นต้องอยู่ให้เหมาะสมแก่ฐานะที่ควรเป็น คือบางทีมันเป็นสิ่งที่สขปรกคือการได้มาซึ่งตำแหน่งหน้าที่การงานของคนทั้งหลายเพราะอาจจะอยู่คึหรือหายพตายปั๊บตกนรกปุ๊กเลยเพราะอะไรเพราะว่าไปเสริมไอตัวเป็นอากาที่เป็บเนนะี่ยมาหรือสึกว่าเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้ต้องจิ้นต้องอยู่ต้องทำต้องใช้ต้องมีต้องขอบครองต้องแต่เนื้อแต่งตัวให้เหมาะสมแกับฐานะที่เราเป็นมันก็ไปทําให้พวกราคาพวก โลภะมานะมันฟูขึ้นฟูขึ้นแล้วก็ในที่สุดเพื่อเสริมเพื่อรักษาตัวเนี่ยคนก็ให้กระทําความชั่วแล้วก็ทีนิ้ลามปามนะลามปามแล้วใครไปรู้เห็นความชั่วของตัวเองก็ต้องจ้างหวานต้องขมขู่ต้องคงุกคามต้องฆ่าปิดปากอะไรแต่อะไรสารพัดปัญหาต่างๆในชาโลกนี้เราเห็นอาการกิเลนี่มีเกลือนกันหมดเลย แต่สมภ า, ารานนั้นไม่มีเหผลการกระทําทั้งหมดของประมาปันทกะเป็นการมุ่งอัดมุ่งทํามุ่งสั่งสอนมุ่งประโยชน์เพื่อกูลต่อไม่ใช่ฐานะน้องชายลนะ่ะฐานะเป็นสัตว์โลกฐานะเป็นสัตว์โลกที่ควรแก่การนุ่งเก็บแล้วฟังเท่าไหร่เสียงทําจากมหาวิทายาลัยศรีปทุมในวันนี้คอยุติไว้ด้วยเวลาพิมพ์เท่านี้ ที่สุดนี้ขอความจเจริญงอ่งงามไพ่บูรณ์ในธรรมจงมีแด่ท่านทุกฝั่งทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี